ชาๆอย่างนี้ปล่อยนักปฏิบัติทั้งหลายลงตั้งจิตตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองอากาศเช้าๆอย่างนี้เป็นอากาศที่บริสุทธิ์เป็นลมที่มากระทบกายแตะกว่ากายวิญญาณ มากระทบจิตวิ ญ, ญญาณก็คือความรู้สึกขอให้นักปฏิบัติทั้งหลายมีความรู้สึกสบายกายแล้วก็สบายใจต้องตั้งจิตตั้งใจมองถึงใจตัวเองแล้วก็ยิ้มเข้าไว้เ่อมีการยิ้มให้กับใจตัวเองเนี่ย ใจที่เรานั้นที่เคยแข็งกระด้างอยู่สภาพจิตของเรานั้นก็จะได้ผ่อนคลายลงไปการยิ้มของเรานั้นยิ้มด้วยมีเมตตาจิตก็คือยิ้มลึกๆตองไปในใจของเราแล้วก็พยายามเห็นใจของเราเนี่ยให้สว่าง ใจของเราเนี่ยให้ผ่อนคลายสบายแล้วก็ตั้งใจเนี่ยสูดลมหายใจช้าๆให้มันเต็มปอดแล้วก็ค่อยคายลมหายใจออกจนท้องแห่งสักสามครั้งทำไมหลวงพ่อจึงเริ่มต้นและจึงบอกเราอย่างนี้ว่าการที่เรานั้นกำหนดจิต เีกว่าก็คือตั้งใจนั่นเองติดใจของคนเรานั้นปัจจุบันนี้เรานั้นไม่รู้ตัวอารม์หายใจของเรานั้นวันหนึ่งวันหนึ่งที่เราใช้ชีวิตเนี่ยบางคนก็หายใจสั้นบ้างยาวบ้างบางคนก็หายใจติดๆิดกัดกัด บางท่านก็หยุดหายใจไปเลยก็มีก็คือตายแสดงว่าความตายของคนเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นเององค์สมมาสัมพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าอย่าอยู่ด้วยความประมาทพลาดพังแล้วเกิดถึงเสียชีวิตเรายังลบอยู่ยังไม่บวก คำว่ารบก็หมายถึงว่าอยองรบกับกิเลสอยู่เราไม่ผ่อนคลายความรู้สึกที่เราเป็นทุกข์ยังยินดีต่อสุขนักปฏิบัติทั้งหลายในขณะ น, นี้ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นกำหนดใจกำหนดใจให้สบายยิ้มขว้ พยาานั่งตัวตรงมองเห็นตัวเองปติก็คือความรู้ตัวเองเรานั้นพาดพังไปวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราได้ใช้ชีวิตอยู่ด้านนอกสังคมภายนอกเนี่ยมันก็อยู่กันด้วยความโรคความโกรธความหลงเราไม่ได้มีอยู่กันแบบ ที่สุดของชีวิตก็คือความตายเหมือนในขณะ น, นี้ถ้าเราคิดถึงว่าวามเคยชินเหมือนกับที่หลวงพ่อพูดได้เมื่อกี้นี่ว่าถ้าเป็นเพศคลรวาัตก็น่าจะต้องกำลังนอนสบายแต่ในขณะนี้เราต้องมาฝืนฝืนตัวเอง เ็อจะต้องตื่นมาเนี่ยความอึดอัดความไม่เคยชินเนี่ยจะทำให้เราั้นรู้สึกง่วงเหงาเหานอนเพราะเราเคยชินกับการนอนหลับแต่ในขนาดนี้เนี่ยเรามีโอกาสแล้วทำใจให้สบายเหมือนกับอากาศในขนาดนี้ที่เย็นสบายกำหนดไปที่ใจ แลวก็ยิ้มเขาไว้การยิ้มมันก็ทําให้เราจิตใจเนี่ยอ่อนโยนอารมณ์ที่มันแข็งกระด้างแปรปนอยู่ตลอดเวลาก็ผ่อนคลายลงกล้ามเนื้อหัวใจของเราเนี่ยก็เริ่มผ่อนคลายไม่บีบคั้นในขณะเต้นในขณะที่เราหายใจเนี่ยหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทยิ้มเข้าไว้เนี่ย มันเป็นอารมณ์ที่ดีมันเป็นการเต้นของหัวใจเนี่ยสม่ำเสมอการที่เราไม่เคยสม่ำเสมอของการหายใจเข้าออกมันทำให้เรานั้นตะขิดตะขวนใจเห็นมเมื่อเราตะขิดตะขวนใจเนี่ยอารมณ์ที่เราไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเนี่ยมีสติรู้อย่างนี้มาก่อนนักปฏิบัติทั้งหลาย เรารู้สึกเบาสบายในช่วงบนหมายถึงว่าท่อนบนก็ตั้งแต่สมองลงมาถึงหน้าอกของเราเนี่ยมันรู้สึกโปง่งโล่งเบาสบายแสดงว่ามันผ่อนคลายในความคิดมันผ่อนคลายในการปรุงแต่งอารมณ์ของชีวิตเราที่เกิดขึ้นทุกวันทุกวันบางคนชีวิตแต่และคนนี่ก็ยึดมั่นถือมั่น ในความรักบ้างในความโลภความกดความหลงจนไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองโอ๋น้อสัตว์เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีความยินดีพอใจและไม่ยินดีและไม่พอใจเราก็เช่นเดียวกันในขณะนี้เราพึงพอใจ หัวใจเราก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อในในร่างกายเราเนี่ยเช่นสมองด้านซ้ายด้านขวาที่คิดและจดจำเนี่ยเหมือนเราได้พักสมองเรารู้สึกร้องป่งสบายที่หัวเราเนี่ยลมหายใจเราก็รู้สึกเย็นสบายแต่มันเบาช่วงบน มันก็รู้สึกไปหนักช่วงล่างช่วงขาตั้งแต่สะเอวลงไปเมื่อเรารู้สึกระหว่างจิตกับกายเนี่ยมันไม่เคยผ่อนคลายพร้อมๆกันอย่างนี้ไอช่วงล่างเหมือนเรานั่งไม่เหมาะเหมือนอะไรมันยุกยิกเหมือนกับเรางอขางอแข้งแล้วมันไม่เหมาะในการนั่งอย่าไปสงสัยมันคุณโย มันจัดระเบียบทางบนก็คือจิตก็เรียกว่าจิตใต้สำนึกเราไม่เคยนึกอย่างที่หลวงพ่อมาบอกเราไม่เคยคิดจดจาในสิ่งที่เราเคยจดจาในคุณงามความดีของการผ่อนคลายของนักปฏิบัติทั้งหลายเรานั้นอาจจะมีความชินว่าพอรู้สึกโร่งสบายเนี่ยจิตมันนิ่งเนี่ย เราเหมือนจะหลับทันทีเลยตัวที่รังตรงๆอยู่เนี่ยก็เริ่มคุ้มเริ่มงอหัวที่ที่ตั้งๆอยู่เนี่ยก็เริ่มห้อยลง เ, เหมือนกับพระกุณเจ้าบางรูปเนี่ยกำลังห้อยและบางกงก็งกงบงกง บ, งบ เ, เริ่มรู้สึกว่าเข้าใจในที่หลวงพ่อพูดเนี่ยพยเยกนางับงบเข้าใจทุกเรื่องแสดงว่า เคยชินต่นิ่งและเป็นหลับขยับแล้วก็เป็นเป็ น, นโน่นเป็นนี่หาเก็บหากินอยู่ตลอดเวลาก็บอกแล้วว่าเราไม่เคยชินแบบนี้มาก่อนเหมือนเรากำลังมาฝึกจิตใต้สำนึกก็คือสตินั่นเองพื้นฐานของการปฏิบัตินั้นสตินั้นมีความสำคัญอย่างมากสำหรับนับปฏิบัติ เมื่อเรามีสติรู้เนี่ยเราก็ต้องรู้เหตุว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรกายกรรมเราก็ให้พิจารณาว่ายึดมั่นถือมั่นไม่ได้ล้วนแต่เป็นของอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงอารมณ์เืขอเรียกว่าจิตวิญญาณกับกายวิญญาณจิตวิญญาณก็เช่นเดียวกัน แปสภาพความคิดไปต่างๆนานาแค่ลมเย็นๆมาสัมผัสถูกตัวก็คิดว่าโอ้เย็นหนอมีความรู้สึกเย็นสบายก็จะรู้สึกว่ายินดีเรียกว่าจิตวิญญาณมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกกายวิญญาณเนี่ยมันแปลปวนมันต้องการโน่นต้องการนี่เกิดจากอารมณ์ของความคิดเรียกว่าจิตใต้สํานึก รกรรมเนี่ยกรรมก็คือตัวกาหนดก็คือการกระทํานักปฏิบัติทั้งหลายการกระทําแต่ละบุคคลเนี่ยย่อมมีมานะมีทิฏฐิเป็นตัวตนของตัวเองเรียกว่าสันดานสันดานก็คืออุปนิสัยเดิมนิสัยเดิมเราก็เป็นสภาพแห่งสัตว์ต่างๆเรียกว่าสัตว์นรก สันนลก็มีงามีเขามีงวงมีหางเป็นรูปนามแห่งสภาพของกรรมเช่นช้างมาวัวควายหมูเห็ดเป็ดไก่กุ้งหอยปูปลามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่สูงบ้างอยู่ที่ต่ำบ้างอยู่ที่สูงก็หมายถึงเป็นอรารยบุคคลเป็นบุคคลที่มี ความเป็นอัจฉริยะเรียกว่าเนคนฉลาดสัตว์ใดหรือมนุษย์ใดเนี่ยถ้ามีความฉลาดเด่นรู้เนี่ยมีสติมีปัญญาปัญญาก็แปลว่าความรอบรู้ในกองสังขารก็แสดงว่านักปฏิบัติทั้งหลายคนที่มีปฏิมีสติมีปัญญาเนี่ยก็ต้องมาจากศีล ศีลก็คือความสำรวมทางกายทางวาจาและก็ทางใจขณะนี้ท่านทั้งหลายกำลังสำรวมทางกายทางวาจาทางใจปิดปิยะวาจาปิดกายที่มันขมุกขมมวที่จะต้องไปมั่วกับความตะเกียกตะกายความอยากได้ของเราก็คือปิดความโลภ ความโกรธความหลงทั้งอย่างทุกอย่างในปิดหมดแล้วก็เรียกว่าปิดประตูนรกนะในขณะที่เราเนี่ยหลุดพ้นจากนรกแล้วนรกก็หมายถึงความวุ่นวายความโลคความตะเกียกตะกายที่เราทํามาหากินอยู่ทุกวันเนี้ยการที่เราดํารงชีวิตเนี่ยโดยที่เราไม่มีสติสติก็คือความรู้ตัว ปัญญาก็คือความรอบรู้ในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นวันหนึ่งคืนหนึ่งวินาทีหนึ่งแต่ในขณะนี้เนี่ยเราต้องการบุญบรารมีใช่ัหมบุญก็คือความว่างตป่าเราก็พยายามถามใจเราเองก็คือถามตัวเราเองในขณะนี้เนี่ยในขณะที่เราอยู่ในองค์ภาวนาเนี่ย เราก็ยิ้มเขวะเมื่อยิ้มแล้วเราก็ถามใจตัวเองว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่วุ่นวายหนอคำว่าวุ่นวายก็หมายถึงว่ากวนกาวายหรือได้พูดหรือได้กระทาสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยทั้งกายและใจเนี่ยเราสงบนิ่งแล้ว มันไม่มีความมุนวายความมุนวายก็คือความโลภก็คือความอยากได้ความอยากได้ของเหล่านั้นเนี่ยมันจะต้องเดินไปเดินมามันจะต้องคิดนั่นคิดนี่เมื่อมีความคิดเนี่ยก็คือการคาดคะเนแล้วก็คาดเดานั่นเองการคาดคะเนคาดเดาเนี่มีสองประเด็น คาดแล้วได้เนะดาแล้วได้ก็คือความสมหวังที่มนุษย์เขายึดมั่นถึงมั่นกันเราก็ยังถามใจตัวเองในขณะนี้เนี่ยสมหวังที่สุดของเราเนี่ยมันคืออะไรที่สุดของเราคือความสมหวังเนี่ยไม่เห็นมันมีอะไรที่จะยึดได้เลยเพราะเราสมหวังอย่างหนึ่งมันก็เป็นทุกข์อีกอย่างหนึ่ง เช่นมีคนมาชื่นชมเราเดี๋ยวก็ต้องไปเจอคนที่เขานินทาเราคนเขารักเราเนี่ยเราก็ไปเจอเดี๋ยวก็ไปเจอคนเกลียดเราอิจฉาเราเห็นไหมแต่ใครเป็นตัวกําหนดรู้ลุกตัวเราเนี่ยคือเป็นคนกําหนดมีสติรู้ถ้านในขนาดนี้เรารู้ตัวเนี่ย เราไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียดไม่มีความปัญญาบาัดยิ้มเข้าไว้ว่าโอ้เนอชีวิตคนเราอ๋อทุกวันเนี่ยจิตมิญญาณของเราเนี่ยไปตามสภาพของกิเลสเหรอกิเลสก็หมายถึงว่าความอยากได้เมื่อได้แล้วคิดแล้วนึกแล้วไม่สมปัติธนาก็เสียใจ ความเสียใจของเราเนี่ยมันก็ประกอบความอ่อนร้าของกล้ามเนื้อหัวใจมันเบื่อหน่ายมันรู้สึกหงอยเหงาซึมเศร้ามันรู้สึกว่าท้อแท้มันเบื่อไปหมดมันไม่อยากจะสู้นะเราชินอารมณ์แบบนี้แต่เราไม่รู้เลยว่าการที่เราคิดอย่างนี้ปรุงแต่งอย่างนี้เนี่ย มันทำให้ร่างกายของคนเราเนี่ยอ่อนร้ากล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อของร่างกายรวมทั้งสิ่งที่สําคัญก็คือสมองของเราก็คือความคิดเด็วกว่าจิตใต้สํานึกเนี่ยเมื่อคิดแล้วไอ้ส่วนหนึ่งมันก็จดจําเราคิดเรื่องไม่ดีเนี่ยไอ้สมองส่วนหนึ่งมันก็จดบันทึกไว้เหมือนคอมพิวเตอร์มันบันทึกไว้ มันบันทึกความคิดความจดจําในสิ่งที่มันดีหรือไม่ดีเนี่ยมันฝังเข้าไปเข้าไปในจิตจิตก็คือจิตวิญญาณของเราก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์เนี่ยบันทึกแล้วมันก็จดข้อ ม, มูลทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในเครื่องแต่เครื่องนั้นมันก็ต้องอาศัย พาังงานก็คือไฟฟ้ามนุษย์ก็เช่นเดียวกันจึงมีรูขุมขนเนี่ยเต็มตัวไปหมดอะไรที่มันใช้ไฟฟ้ามากที่สุดกระแสไฟก็คือศีรษะเรานั่นแหละจึงมีเส้นผมน้ำมากมากที่สุดในในส่วนของร่างกายตัดลงมามันก็ ที่ตามันก็มีคิ้วนะคิ้วก็มีขนเต็มไปหมดรวมทั้งขนตาด้วยขนคิ้วด้วยช่วยกันทั้งล่างและบนไอหัวเนี่ยมันใช้ระบบไฟฟ้าเนี่ยมากมันจึงคิดมากจำมากไอตาก็เช่นเดียวกันมันก็ใช้ระบบไฟฟ้านะมองเห็นมากเห็นโน่นก็ ส่งกระแสไฟฟ้าไปกระทบกับไอผมเรานี่เนี่ยมากเต็มไปหมดขนาดหัวเราเนี่ยยังมีแต่ขุมขนเนี่ยมันจึงขนก็คือมีความโรคที่เขาสะสมอยู่ในสมองบัรถุกบันทึกแล้วก็จดจำไปยังจิตได้สำนึกเช่นความโกรธเนี่ย เรามีความโกรธพยาบาทยมันฝังลึกแต่เราไม่รู้เลยว่ามันลึกแค่ไหนมันฝังไปแค่ไหนแล้วเราใหม่ๆก็ทําใจไม่ได้ร้องห่มร้องให้ผูกพยาบาทอาฆาตสาบแช่งแช่งด่ากันทะเลาะกันไอ้สมองเนี่ยมันก็บันทึกปรุงแต่งไปกระแสไฟฟ้ามันก็มีทั้งบวกและลบนะคิดลบมันก็ทําให้หน้าเขร่งเคียด กาเนื้อหัวใจก็บีบร่างกายเนี่ก็เกร็งเลือดลมก็สูบฉีดหัวใจก็เต้นผิดปกตินี่คือความโกรธเมื่อเรามีความโกรธเนี่ยระ ง, งับไม่ได้เนี่ยร่างกายก็คือมันรับไม่ได้แล้วเหมือนกับรถเหมือนกับพยาน้ําหนักอะเอาน้ําหนักที่เราแบกอะไรมันแบกรับไม่ไหวเนี่ย ร่างกายเราฝืนไม่ได้เนี่ยมันก็ถึงขั้นแตกหักแหละคําว่าแตกหักก็หมายถึงว่าอารมณ์เนียกว่าจิตวิญญาณเนี่ยเราท่อเราไม่เคยฝึกเหมือนในขณะนี้มาก่อนเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าแปรแ ล, ลอารมณ์แปรปนละจากความอดทนเนี่ยเราก็ชักจะทนไม่ไหว ร่างกายก็หลังสารที่มันเป็นโทษนะก็คือลบมันแหละลบต่อร่างกายเขาถึงบอกว่านักปฏิบัติเนี่ยให้มาฝึกกายฝึกจิตเมื่อจิตดีเนี่ยถ้าคิดบวกเนี่ยกายก็จะผ่องใสเหมือนกับเราในขณะนี้เนี่ยสมองเรานี่ไม่จดจำอะไร mm hmm. เหมือนกับองค์สมมาสมพุตเถ้าท่านกล่าวว่า สุข ก, ก็ยึดไม่ได้สุขที่แท้จริงของชีวิตเราลองนึกซิในขณะเนี้ออกไหมนึกไม่ออกทุกข์ก็ยึดไม่ได้มันทุกข์ที่สุดของมนุษย์เนี่ยมันคืออะไรแต่เรานึกออกว่าสิ่งที่เราจะนึกได้เห็นได้ก็คือตัวเราก็คือปัญญาเห็นความเป็นอนิจจงเป็นของไม่เที่ยง มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายเมื่อก่อนเราก็เป็นเด็กตอนนี้เราก็มีอายุขึ้นมาสังขารเราก็เสื่อมโรยเช่นผมก็งอขาวค่อยคอยนึกตามไปตาที่เคยมองเห็นก็ต้องใส่แวน่นมองไม่ค่อยเห็นหนังที่เคยเต่งตึงนี่ก็เหี่ยวห้อยลงแต่เรานึกถึงตัวเองไม่ได้ก็นึกถึงคุณยายคุณตาเรา เมื่อเห็นคนแก่คนชราอย่างนั้นเนี่ยอาการของคนแก่ก็คือการเจ็บป่วยเมื่อยล้าเดินกระโปกกระเพกนิ้วก็คดงอก่องไปหมดหลังก็งอไอที่ฟันที่เคยสวยๆเนี่ยมันก็เริ่มหักเป็นซี่ๆหลุดแปสภาพร่างกายที่เคยสวยสด ก็หดยานหย่อนไปหมดกล้ามเนื้อที่เคยแข็งแข็งก็อ่อนล้าลงร่างกายที่เคยถูกมัดถูกตรึงด้วยเอ็นเส้นกล้ามเนื้อต่างๆที่เคยแข็งแรงคนแก่เนี่ยมันกินอะไรกล้ามเนื้อก็ไม่แข็งแรงหนังก็เหี่ยวกินอะไรมันก็ไม่แต่งตึงเรียกว่าตัวอันนิจจังเป็นของไม่เที่ยง สิ่งที่มันไม่เที่ยงเราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตัวเราเพราะเราไม่เคยคิดพิจารณาเรียกว่าสมถวิปัสนานักปฏิบัติเนี่ยจะเข้าวิปัสนานจะต้องสมถวิปัสนาก่อนสมถาก็คือการพิจารณากายในกายก็คือสตินั่นเองควบคู่กันสติก็คือความรู้ตัวก่อน เมื่อเราเห็นตัวตนที่แท้จริงของเราว่าโอ้เห็นตัว อ, อันนิจจังอันนิจจังก็เป็นของไม่เที่ยงก็เห็นความแก่ชราลงความเสื่อมของสังขารล่างความเสื่อมของจิตใจของคนแต่ละคนเห็นไหมปัญญามันก็ควบคู่มาเมื่อเรายังไม่เห็นตัว อ, อันนิจจังเนี่ยแสดงว่าสติเรายังไม่เกิด เมื่อเรามีสตไิไม่เกิดเนี่ยหลวงพ่อจึงย้ําเตือนอยู่เสมอว่าให้เราตั้งสติสติก็คือความรู้ตัวคือเน้นตรงนี้เลยจึงไม่ค่อยสอนเราลดหน้าไวจนเกินไปเมื่อเรามีสติรู้ตัวเลยเราก็พิจารณาตัวเอง<ม>เรียกว่าสอบัตถะวิปัสนาการพิจารณากายในกายของเราเนี่ยด้วยจิต ด้วยใจด้วยความคิดเห็นในใจของเราเนี่ยเหมือนในขณะนี้ก็คือนั่งสมาธิสมาธิก็คือตั้งใจมั่นบุญก็คือความว่างเปล่าก็บอกแล้วว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอก็คือใจของเรานั่นแหละหลอย่าไปวุ่นวายกายับใครในปัจจุบันนี้ก็คือต้องไม่วุ่นวายกับกายของเรา กายก็คือเนี่ยตัวกูของกูที่นั่งอยู่อะก็คือตัวมึงเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยมันเกิดอาการเจ็บป่วยเมื่อยล้าเกิดอาการไม่เหมาะไม่เหม่งคันอะไรตายแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันเรามายุ่งด้วยสติสติกก็คือความรู้ตัวก็คือรู้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือตัวปัญญา <Okay. S 1> หรือเรียกว่ากายวิญญาณหรือจิตวิญญาณ เมื่อเราเนี่ยไม่รู้ตัวรู้ตนเนี่ยไ อ, ไอโง่ไอโง่เอ้ยที่มึงอยู่กันทุกวันเนี่ยเราก็อยู่ได้ความโง่ก็คือกิเลสมันครอบงําเราก็คือความโรคกรดหลงเนี่ยมันครอบงํำนะให้เราเนี่ยไปสแสวงหาธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟก็อยู่ในตัวเรานี่แหละ ฐาดินก็คือกระดูกเอาค่อยๆมองตัวเองว่าเป็นกระดูกเนียเรียกว่าสมถตให้พิจารณาตัวเองนึกถึงว่ากระโหลกศีรษะเราเนี่ยก็ตาโบสองข้างหูก็โบมีขากรรไกรปรงงาปงาังงบที่เราดูนิยายผีนั่นแหละหน้ามึงละจมูกก็โวปากก็วองลิ้นก็ไม่มีมีต่กะโหลกไม่มีหนังเห็นไหม เมื่อเราเห็นกระโรกเสร็จเราก็มองดูว่าโอ้มีหายลามีกระดูกหัวไหลมีกระดูกแขนมีกระดูกหน้าอกเหมือนผีที่เราเห็นในหนังนั่นแหละเองไม่เคยพิจารณาปงอสุภะของตัวเราเองเนี่ยย่อมไม่มีความชำนาญก็เหมือนกรรับหลวงพ่อได้แกล้งสอนเราว่าให้นึกถึงหน้าเราสิ เรายังนึกถึงหน้าเราไม่ได้ตายไปแล้วเนี่ยคนตายวิญญาณที่มันมาแฝงสิงกับมนุษย์เนี่ยถามว่ามึงเป็นใครชื่ออะไรชื่อตัวเองยังจำไม่ได้เราไม่รู้ว่าตายด้วยเรื่องอะไรตายที่ไหนอยู่ที่ไหนจำไม่ได้แสดงว่ามนุษย์นี่ยอยู่อยู่แบบไม่มีสติ ไม่มีความรู้ตัวรู้ตนเมื่อเราไม่มีสติรู้เนี่ยก็คือคนบ้าคนวิกฤตเจริญเจริญของเราเนี่ยก็ไปยินดีบ้านรถที่อยู่อาศัยยินดีความสวยงามในร่างกายเราเมื่อยินดีของเราเนี่ยที่เราแต่งไปเนี่ยสวยงามรูปหล่อเนี่ยเพื่ออะไร เราก็นึกถึงว่าให้คนสวยเนี่ยจะได้มีผัวหลอกผู้ชายไอ้ผู้ชายที่ทําตัวหลอกทาตัวดีเนี่ยมันก็หลอกผู้หญิงแต่ไอ้ใจของเราเนี่ยจิตใต้สานึกจริงๆเนี่ยหลอกกันไปก็เหมือนผีนั่นแหละนะหลอกคนอื่นการพยายามทํากิริยาทุกสิ่งทุกอย่างให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นคนดีแต่ถามตัวเองถ้วว่า เราก็หกคนอื่นน่ะได้แต่เราไม่สามารถหลอกตัวเองได้หลอกว่าเรายินดีหรือไม่ยินดีเราชอบใจหรือไม่ชอบใจเนี่ยลองถามเราเพราะนั้นเราก็ลองถามตัวเองว่าโอ้เนอชีวิตเราที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยคือมโนเหรอเนี่ยมโนก็คือการคิดปรุงแต่ง การคิดปรุงแต่งเนี่ยมันก็ครอบงำไปด้วยกิเลสก็คือความโลภความกดความหลงเนี่ยทำให้จิตใจเราเนี่ยว้าวุ่นมัวหมองใจเห็นไหมเดี๋ยวร้องให้เดี๋ยวหัวเราะเพราะนั้นเราเมื่อจะสอนสมาธิสมาธิก็คือความตั้งใจมันทุกคนตั้งใจแล้วมั่นใจยิ้มเขาไว้ตติมีความรู้ตัวเขไว้แล้วค่อยๆกระเถิบเข้าสมถะแล้ว สมถะวิปัสนาเขาบอกว่าโอ้ยไปฝึกวิปัสนามาไอโง่ยิโง่วิปัสนาเนี่ยเรียกว่าปัญญาล้วนๆคนที่มีปัญญาเนี่ยจะคิดได้นึกออกในกองสังขารตัวเองเท่านั้นคนที่นึกไม่ได้คิดไม่ออกอย่างที่หลุงพ่อบอกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของวิปัสนาได้ยังไง วิปะนะัสนานคือการรู้อารมณ์รู้กายรู้ใจรู้จิตใต้สำนึกผิดถูกชัวเดียนเรียกว่าเข้าสู่สภาวะอริยบุคคลและนะเมื่อเราเป็นอริยบุคคลก็คืออริยะก็คือหมายถึงมีความเป็นอัจฉริยะในตัวตนของตัวเราเองแต่มนุษย์ปัจจุบันเนี้มีความเป็นอัจฉริยะก็คือ เรียนเพื่อฉลาดลิ้วรู้มากก็จะได้เหนือคนอื่นเห็นไหมมันต่างกับคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าการที่เราเรียนรู้มีความรู้มากเนี่ยแทนที่รู้แล้วจะกระจัดกระจายให้คนอื่นรู้บ้างเหมือนกับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรู้วัตตะวัตตะก็คือการเวียนไหว การเกิดแก่เจ็บตายของมนุษย์โลคของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าตายแล้วไปไหนแล้วเนิ่นนานก็คือจิตใต้สำนึกเราเนี่ยมันเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานจะต้องผ่านภูมินลกมาก่อน ภูมินรกเนี่ยเกิดเราก็เป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นหมาเป็นแมวเป็นกุ้งหอยปูปลากี่ชาติกี่ชาติาตนรกมีหลายกลับหลายกันก็จะไม่โยงไปทีละกันเราเพราะว่ามันวุ่นวายเดี๋ยวจะสับสนนักปฏิบัตินรกก็มันอยู่ที่ใจเนี่ยจิตใต้สำนึกเราเนี่ยสภาพของกรรมเนี่ยกรรมก็คือการกระทํา กรรมมันเป็นเครื่องปรุงแต่งชักจูงเรานี้ให้ไปสู่สภาวะกรรมกอเอย๋ยกไก่ก็คือกอกรรมกรรมคือต้องเกิดนั่นเองมนุษย์เกิดเนี่ยมีแยกกันมาว่ามีอุทกภยัยอักคีภยัยวาตภายัยนะนับว่าเป็นภัยอันใหญ่หลวงของมนุษย์มันไม่ใช่ ภัยนี่ก็คือตัวประมาทนั่นเองความชอกช้ำเลยเขาถึงจะเอาภัยมาประครบนะมนุษย์ที่มีความรู้สึกว่าถูกกระทาเนี่ยเมื่อถูกกระทาเนี่ยรู้สึกรับไม่ไหวเมื่อรับไม่ไหวก็คือทนไม่ได้นั่นเองเห็นคนอื่นเขารวยเนี่ยเราก็คิดอยากจะรวยเหมือนกันเขาเอาแล้วมนโนและปรุงแต่งแล้ว เห็นเขาสวยเราก็อยากจะสวยแต่ลืมว่าเราเป็นลูกใครพันธุ ก, กรรมของเราในหน้าตามันก็เหมือนกับปู่ย่าตาโทษแต่คนสวยคนไม่สวยคนรวยไม่รวยเนี่ยท้ายสุดเนี่ยจะต้องตายที่สุดจะต้องเป็นคนแก่ชราเป็นคนเจ็บคนป่วยคนไข้อาตมาเนี่ไปโรงพยาบาลไปตรวจร่างกาย เห็นคนเข็นเข้าเข็นออกเข็นออกเข็นเข้าเห็นคนแก่เนี่ยมากลงรถมาลูกหลานก็ประคองมีสามขาสี่ขามีรถบางคนก็คอห้อยลูกนี่ห้อยกระเป๋าแบนเนมแม่ก็แต่งตัวดีหน่อยเพราะว่าเป็นคนมีมีสตังค์หน่อย แต่อีคนที่ดูแต่งตัวไม่ดีก็เข็นรถเช่นเดียวกันเพราะว่าอีคนเข็นรถมันเห็นว่าคุณโยมเนี่ยแต่งตัวไม่ค่อยดีก็ไม่อยากให้นั่งรถเนี่ยอีคนที่มีรถเกง๋งรถยี่ห้อดีๆมันก็รีบเอารถเนี่ยเข้าไปใสเข้าไปตรงประตูเลยแล้วก็อุ้มใหญ่ค่อยๆวางไอ้แท็กซี่มันพามาเลยคนป่วยมันยกวางคลุ้มคลุ้ม ลถก็ไม่ค่อยเข็นดันไปคุยกันไปคนไข้กับป่วยอ้อยอ้ยอ ย, อยเนี่ยเขาบอกว่านรกสวรรค์เนี่ยมันก็เกิดจากสติปัญญานั่นเองคนนี้มีสติปัญญาเนี่ยเหมือนเราในขณะนี้เนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเลยกายเนี่ยทำทั้งใจอย่างเดียว เมื่อทําทใจเปิดโปงโรคสบายสมองผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายหมดเกิดความง่วงและนิ่งไม่ได้นิ่งเกิดความหลับช่วงบนเบาช่วงล่างเริ่มปวดเมื่อยเจ็บปวดเริ่มไม่สนิทใจเริ่มไม่สบายใจแต่อีตอนแรกทําไมมันรู้สึกสบายล่ะแต่ตอนนี้ทําไมมันรู้สึกว่ามันไม่สบายก็เพราะว่าการปรุงแต่ง ความรู้สึกเท่านั้นคนเนี่ยมันเกิดมาจากความรู้สึกเรียกว่ากรรมนั่นเองกรรมเนี่ยมันสู่สภาวะจิตฝังอยู่ใต้สํานึกของเรานั่นแหละเรียกว่าสัญญาเห็นไหมค่อยๆตามมาแล้วปัญญาก็เกิดสมถะก็เกิดวิปัสสนาก็เกิดพร้อมกันเลย กรรมเนี่มันก็คือจิตใต้จำนึกมันแฝงอยู่ในความรู้สึกของเราบางคนเกิดมาในเศร้าหมองใจไม่สบายใจอึดอัดใจบางคนเป็นโรคประสาทถึงก็ต้องกินอยู่กินยาอยู่ตลอดชีวิตบางคนก็เป็นโรคชักลมบระหมูชักตลอดเวลาบางคนก็เป็นโรคคนบ้า ก, กามก็ต้องเสพกามไปก็เข้าเลื่อยเยเปื่อยไป บางคนก็บ้าทรัพย์สมบัติลูกหลานอยู่ไม่ได้ไล่ออกเพราะว่าเฝ้าอันนี้คือบ้านกูสมบัติกูเห็นไหมการที่เราเนี่ยไม่รู้เหตุรู้ผลเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเกิดความหมวงหมองใจด้วยความอยากได้โดยความโกรธพยาบาทติเนี่ยแต่ในขนาดนี้ทุกคนเนี่ยได้มีบุญบุญก็คือความว่างเปล่าความบริสุทธิ์ใจ บริสุทธ์กายนั่งใช้สบายใจพอเรารู้สึกสบายใจปุบผ่อนคายไอ้ร่างกายเราเนี่ยมันเหมือนแฟชั่นชนิดหนึ่งที่นิยมมากนิยมการเดินนิยมการวิ่งนิยมการผัดแป่งปะทินโฉมแต่งตัวใส่เสื้อใส่ผ้าสีนั้นสีนี้ยุ๊บยิกยุกยก เหมาะไม่เหมาะสวยไม่สวยดีไม่ดีเช้าขึ้นมาก็ร่างกายเราก็คิดแล้วต้องการอาหารอยากได้โนนอยากกินนี่ตลอดเวลาเรามันชินต่อความวุ่นวายว้าวุ่นใจสมองเราก็ทั้งจดทั้งคิดนะเห็นไหมขนาดเราเขาคนพูดเราจดยังไม่ค่อยทันเลย ความแปรปรวนของอารมณ์ใจของเราเนี่ยไม่เคยนิ่งอย่างนี้มาก่อนไม่เคยหายใจเป็นปกติสั้นยาวเนี่ยเป็นปกติอย่างนี้มาก่อนร่างกายเราก็ไม่ชินในการสงบนิ่งอย่างนี้มาก่อนก็เลยรู้สึกฝืนใจฝืนกายเมื่อเราฝืนมากขึ้น กำหนดรู้มากขึ้นก็คือมีสติมากขึ้นพอมีสติปุ๊บเราก็พิจารณาเลยว่าโอ้เนาะเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเราก็พิจารณาตัวเองอาจจะไม่รู้ก็เห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้แก่ชรลาลงไปเนี่ยท่านลาบากลำบากมาทั้งชาติแปดสิบปีเก้าสิบปีเนี่ย อยู่มาไม่น้อยนะ365วันเป็นหนึ่งปีคนเราก็อยู่แค่สองหมื่นกวันเองแล้วท่านได้อะไรไปบ้างชีวิตเราก็เช่นเดียวกันไม่ได้อะไรได้แต่ความคิดปรุงแต่งเรียกว่ามโนก็คือมีกายกรรมกับวจีกรรมมโนกรรมที่จะทำให้เราเนี่ยตกนรกขึ้นสวรรค์ แต่คนที่จะดับประตูนรกได้ก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือความสำมรวมกายว่าจาใจวันนี้เรามารักษาศีลเรามาความสำรวมทั้งกายและใจเนี่ยเรียกว่าศีลสมาธิก็แปลว่าความตั้งใจมั่นเราตั้งใจคุณงามความดีที่จะคิดถึงคุณงามความดีเนี่ยรักความชั่วมาประกอบกรรมดีเนี่ยมันก็ยาก เหมือนในขณะนี้ที่เรากำลังฝึกฝืนตัวเองศีล ส, สมาธิปัญญาก็คือความรอบรู้ในกองสังขารก่อนที่เราจะรู้เราก็ต้องมีสติรู้ตัวเองก่อนก่อนจะเกิดปัญญาเราก็ต้องพิจารณาด้วยสมถะก็คือการพิจารณากายในกายร่างกายของเราเนี่ยล้วนแต่เป็นของอนิจจงอารมณ์เนี่ยข้าวสวิปัสนาก็คือ ความคิดที่เป็นรู้เท่าทันของกายร่างกายเมื่อเราเกิดความเสื่อมทรมเราก็มีปัญญาเข้ามาวิปัสสนาก็เข้ามามันของคู่กันระหว่างกายกับจิตวิปัสสนากับสมถะวิปัสสนาก็เป็นของคู่กันสติก็เป็นของคู่กันทั้งสมอย่างคือศีลสมาธิปัญญาเมื่อเรารวบรวมเนี่ย รู้เหตุรู้ปัจจัยนักปฏิบัติเอยไม่มีความยากเลยในการพิจารณาในการปฏิบัติความเป็นอริยบุคคลเป็นอริยเจ้าเป็นอริยสงฆ์เนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราแน่นอนเมื่อเรามีศีลบริสุทธ์กายบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ก็เป็นอริยบุคคลแหละ เ, เพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะขังเกินไป เริ่มดิ่งจัดละก็พอยินดีปุ๊บ ก, ก็หักห้ามใจมีสติรู้ค่อยๆหายใจให้เป็นปกติเพื่อจะได้ถอนสมาธิกดนามเห็นไหมฝืนแหละกลับไปกลับมาดัดงอได้แต่หักไม่ได้ก็หักสักทีเดียวนะค่อยๆลืมต า, เ, าเห็นไหมพอจิตมันดิ่งก็ไม่อยากจะลืมตา อีตอนเมื่อยก็ขยับอีตอนถอนสมาธิก็หายเมื่อยนะพอถอนขึ้นมาโอ้ยเคยไงบิดเบี้ยวไปหมดนะแต่เราลองรู้สึกกําหนดรู้สิเรียกว่าวิปัสสนาปัญญามองเห็นตัวเองว่าเออเนอะเออเกี้เรายังรู้สึกเป็นนั่นเป็นนี่แต่เวลาเราถอนสมาธิแล้วเอออาการต่างๆมันทําไม ไ้พอวงกับความเจ็บปวดเมื่อยล้าอีกแล้วเดี๋ยวเวลาเนี่ยตอนนี้เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เป็นทุกข์ใจแต่มันซึมทำหน้าซึมนะซึมเหมือนคนเซอร์นะเขาเรียกว่าจิตมันเพิ่งจะสงบจากความว้าวุ่นแล้วก็วุ่นวายใจเมื่อจิตสงบปุ๊บกายก็สงบไปเลยเหมือนสลดใจเงี้ยตอนนี้เหมือนซึมเหมือนเศร้าสลดใจ แต่เดี๋ยวสักพักทัามึงกระแสจิตเริ่มเข้าสู่วงโจร น, นะวงโจรฮนะกระโจนเข้าห้องน้ำถ่ายของเก่าของใหม่ก็บรรจุเข้าไปห้านาทีสิบนาทีเนเงียบกิ๊บของยานของชานความอร็ศอร่อยพอหายอร่อยก็เลยหายหิวนะอิ่มบรรจุเข้าไปพอหายหิวปุ๊บเริ่มอาปากลวอร่อยั้มมึงอะ่ะ แล้วเป็นไงนั่งเห็นอะไรวะอาแหละเริ่มแล้วแล้วมึงมาเมื่ อ, อไหร่ก็มาด้วยกันยังถามว่ามึงมาเมื่ อ, อไหร่นะอาลวละมันก็ไม่รู้จะเห่าอะไรมันชินนะ น, นั้นนักปฏิบัติเนี่ยจึงต้องมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาก่อนที่จะเข้าสมาธิได้เนี่ยเราต้องใช้วิธีการตร่อมรอกพวกเราเนี่ย หลายวันหลายลาตีวันนี้เพิ่งจะเข้าปิมปิมนะเข้าสมาธิว่าเป็นอริยบุคคลเนี่ยทำแบบไหนแค่ปิมปิมเหมือนกับขี้มันจะโผล่แล้วหมกไปกแหละมันเบ่งไม่สุดท่อนละขนาดนะัแม่หลวงพ่อนี่มีการกักไว้ด้วยกูเนะี่ยอยากจะเป็นพระอรหันต์ว่าไปนั่นมึงทำตามกูมึงก็พานขี้พันเยี่ยวแย่แล้ว ไอ้ลมปากก็ไม่ได้พูดไอ้ตูดก็จะออกนะอมืมันอย่างไงวัเนี่ยสังสงสัยทําไมไม่บอกให้โป่งมาทั้งทีเดียวไม่ต้องขับรถกูได้หอกกลับบ้านว่างั้นนะเนี่ยไอ้จิตสันดานใต้สํานึกมันเฮี้ยนตลอดเวลาถนะ้ากินหลวงพ่อพูดเกินเวลาไปก็ถอนสมาธิก่อนเวลาเหมือนกันไม่กงเวลานะ อะนี่มนคับกวดน้ำ